ส่วนีูุดยืน壮大อยดูแลรับ มีเวลาเราออฟังเทศก่อนนะ อาจารย์ทุกทุนเขาฝากเขาูข่าวฟรโยเัาฝเพเขมาพิรต ว่เป็นมานไหมทางทันที่พระศาสนามีคุณค่ามีคุณสมบัติมีความสําคัญจริงอย่างยิง่งยวดในหัวใจของมุษของเจ้าาของมังของกระดแต่ถ้าราไม่ให้ความสําคัญเราให้ความสําคัญน้อยเกินไปเสรษฐกิจขอเราไม่เช่วกันขับเคื่อนศาสนาของาพระพุทธเจาหัวใจของเราเราเสื่อเป็นมาน เป็นผู้ดบริษัทแต่ชื่อฟังเทศก็สังใหมาฟังมเป็นิีบางคนไม่ได้ตั้งใจมาฟังเทสตั้งใจมาเป็นภาพสูงบางคนเรได้นั่งฟังเทศนานๆทั้งฟังทั้งบทเราไม่ไมาฟังเทศตมาเป็นจ้าสเคยได้ยินบรรณาการนะถ้าพวกเราจะร้เราไม่เสียสลา เวลาเอาเงินกันความดียันก็สมุนใจจะให้ใครเสียสลใครเป็นคนฆ่าโอก้พุทธตระษัิ์เองอย่าลืมาทุกอย่างจีนท่อเดิมทุกอย่างมรอไปนี้ไม่มีอะไรเท่าเดิมมีอะไรบ้างเท่าเดิมเราสิสมัยลูกค้าท่านเมาเอยู่มาระชวยขาของา สร้างสรรคสรางความมั่นใกับระาทั่วประเทศไทยทั่วโลามังกรน้อชาปจนถึเทวดามานก็มกรน้มีอะไรอย่าตองเือดูปทั้งนองไปแล้วตั้งแต่พอสอนเท่ารจำได้หมสอนงงหรือสอนเจ็บรูปหูัเห็นก็สีจมก่อมามีต้องเดือดรูปหมูมเข้ากไปอี ดีสาปดหลวงปู่เลท่านยังเที่ยวไปท่าเราวั้งหลายวันให้เราขยายวัมาจนถึงทำมาารโอ้อยากทำตลอดทาการมันไม่ใช่ใกล้ๆท่านเมตตาไปให้เราขยายวัดมาถึงทำมากาอยู่ไปอยู่มาไม่ไม่นานเท่าไหร่ท่านให้ยังแอบไอยู่ต่อมาห้องทองก็เป็นสำนักขึ้นมาอีกกิดขึ้นไรกันท่าเรืเป็นสำนักเกิดขึ้นมานี้ ท่านูซสไม่ีอะไรทีร่ยอดเด่นไม่มีอะไรท่ยอเด่น อ, อยู่มาไนนะม่นานเ็ยท่านก็อารม่นมาห น, น้าอากมาผาหล้าอากปีสาม5ปสามอยากออาเียินหรือสิยังุงไปมอง า, มาจากนั้นมาท่านไม่ได้ไปหาสุดาแลว้วก็ท่านไปกับผู้นตอนนี้อายุใขรท่านก็จบลงชีวิตจริงของทนะ่าน จบลงตามอายุขัยท่านดูสิมีอะไรยเติดไม่มีจบลงเมื่ออายุแปดสิบแปดคัมซาหกสิบหกสิบแปดหลู่เป็นท่านเป็นผู้เกื่อในกาสุบะมีเวลาอยู่ศกษานักเป็นสำเริญของหวมังเราฟังประวัติที่ลวงานถียงไว้ไปรับใชุ้ันายการทุ่นงา รวมจากครูบาอาจารย์รุ่อต่อๆมาลงตาคารูบาอาจารย์รุ่นผู้ใหญ่สืบช่วงต่อมาจนถึงท่านเป็นใหญ่ต่อมาถึงกับสืบช่ว ง, งต่อจากครูบาอาจารย์มาเรื่อยๆหลวงู่เป็นท่านเป็นทั้งเทพนะประเทศชนะุ่งประเทศที่นี่ท่านเป็นนักมีวาระท่านมีเทศพพอหลังจากที่ท่านอานอกมพาพูดออกมาให้ตอน น, น, นั้นประชาชนถือเปล่า ที่สนามหลวงคือม <Yeah. S 1> to ัพพาโอ้หลวงูอยากเสียดายไม้เคยไปทู้ไปเทศงานที่หูเคยทำอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์น้าท่านพูดแล้วจะจระบาย่านอาจารย์น้าท่นไปก่อนหลวงปู่มาพาหรือเปล่าอาจารย์น้าวัดพรุจักรงคาอาจารย์น้าแต่อาจารย์น้าั้นตัไปแล้ว น่าจะเป็นไล่ๆกันอย่างที่ดูนี่คุณเป็นมรรคมาภารนี่คือพูดให้เราเฉพาะมาที่ใจของเรามีใครอยู่เท่าเดิมความไม่อยู่เท่าเดิมพระพุทธเจ้าประโสนิตราวาทุกขังทุกขังน้อมมาที่หลังหลังใหญ่ๆเลยแหละความไม่อยู่เท่าเดิมดูเวลาทีไม่อยู่เท่าเดิมรวมมาถึงอัตภาพ่ร่างกายชีวิตสังขารของเรามีใครอยู่เท่าเดิม ไม่มีใครเท่าเลยเพราะขึ้นชื่อว่ากองสังขารบีมขันตัวมันเองทุกระยะทุกเวลากองทุ ก, ท ก, กบีมขันตัวมันเองทุกระยะทุกเวลาเราเดือดอนในเ่าหลังจากท่านม่อมงมังผาแดงทูกสังขารบีขันขนาดไห น, นถ้าเราเหัวใจของเราไปใส่หใจขันเป็นการทักขนนัน พระเหล่านี้มันไม่ใช่เรือของพระเจ้าตัวผู้ทเกี่ยวงกับศิลทั้งครวาทันบัญจิรัตน์เป็นพระกหแต่พวกเราศล์นทั้งค่วทั้งปัญจิจนเราดูแลครูบาอาจารย์เราไม่นดูแลเราเมีผลเราดีสมดีเลือกกี่ตัวเพราะฉะนั้นใค ร, รตกยุ่อ่ในท้ออย่างนี้ขอ ร้งกับตัวเองและตกเป็นภาระกับคนอื่นเราคิยว่าปอสังขารมันไม่เคยมีอะไรเท่าเดิมความไม่อยู่เท่าเดิมของปอสังขารพระพุทธเจ้าประเสรัฐว่าทุกขาขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจกท่านลราฟังดูสิว่าอนิจจ์กับทุกข์ขังมันเป็นหลักเป็นเป้าปสงว์เป็นคมสอนที่พุทธเจ้าะให้รา ใครไม่เคยได้ยินได้ฟังแลวก็ไม่สนใจเพราว่าอีจ้จะต่างกันต่าลืมนะ้าลืมตัวลืมไฟที่จะเรียกว่าเมาแล้วเมาในไฟเมาในชีวิตเมาในความไม่มีโลกมันจะเกิดความเมาชีวิตเกิดความเมาโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ไปดื่มสุลา ย, ยาเมาที่ไหนเละหาที่เหลกมันทมเมาถ้าหากมันเมาที่ไรกไรเราเรมสินื่มทาง ลืมพ่อลืมแม่ลืมเนั้อลื่ตัวลืมสิ่งลืมทางลืมคุณงามความดีทิชิู่ให้กับมิจฉาทิจิจิตดวงนั้นเป็นมิจฉาทิจิหมดทั้งดวงนี่คือเมาเมาในที่นี้ก็เลยเห็นไฟร้อนอย่าลืมว่าธรรมของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบทเป็นธรรมะที่ทาความมาใใจของเราอย่างนั้นเรเห็นให้สะาดเป็นธรรมที่ยังความมาให้สะาท่านดวไป ดูไปเรื่องสมาธิดูไปเรื่องของญาที่พวกเราไยินาด้ัง้บสอนอยากดูาอยากทำมากหล่านี้ยังความมาไส้สารใครไม่รู้จักความเมานไหวที่าเองจะไม่แก่เมาในชีวิตท่พระเจ้าเองจะไม่ตายเมาในความม่เหนียวที่พระเจาเองจะไม่็บใครได้ปวสิ่งลนี้เป็นมรดกดอกทออมาจาพราก ท่านไม่ต้องพิจารณาองท่านจะต้องได้รับผลมรดกเหล่านี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราได้ยินในความเสียงอ่านเสียงคำเป็นเครื่องมังงูเป็นเครื่องมาตุนเตืาาเนให้พวกเร า, เราไม่ประมาทไม่นิ่งนนใจเราดูองค์เห็นพวกเราเป็นพระญาณประยานท่านนอนใน่งในหีบมุ่งทองขนาดไหก็ตามขอสังขารของท่านมื่อก่อนนั้นมีนามสังขารคุ้มครองคือใจ พอหลังจากกอสลากที่เป็ี่ยนรูปจะมนั่งดีไม่ได้ระบบอันนั้นก็เสียระบบอันนี้ก็เสียอันน้นก็ใช้ไม่ได้แอันนี้นก็ใช้ไม่ได้ตีต่างใช้งานไม่ได้ผ <c oughs> ู้รู้ของท่านก็โดนหล อ, อกไปถ้าหากว่าท่านใดกำเพงถึงที่สุดจบประวัติาลตร์โลกองหมดวัฒชาติถ้หาหา้ว่าท่าคุณธรรมชั้นต้นชั้นกลางอย่างในม่านรักสกิทาคาพัฒนาคา ลูกผ well. ู้ใหญ่เามหลู่เรแต่ถ้าลูกปู้ไดวิบวับุดนฝนสูงวิพวับอันนี้เาาลูกผู้ใดนตกฝนเย็นฝนเประ้ยงฝนสะสอันนี้เป็นการปฏิบัติส่วนตัวเป็นปฏิบัติจากาส่วนของูกูดพอเป็นเครื่องสะท้อนมาที่พวกเราใครสนใจว่าเรื่องเหล่านี้ที่จะเอามาใส่ใส่ใจของเราไปวัดไปไปเป็นวิถีไปฟังเทศ้็ไปฟังเราเป็นพิถีทั้งฟังทั้งขีด ท่นเห็นอะไรท่านทุกเรื่องอะไรม่เคยรไม่เคยที่จะย้อนมันกตัวเองกินตัวเอ ง, อเองสะสมรุ่มใหม่ขนานดไหปัญหานั้นมันเกิดขึ้นแก้ยังมันจบปัญหานั้นมันแก้ปัญหานี้ยังมัปัญหานั้นมันแก้อยู่นี้ไม่จบไม่สิ้นแก้ไปแก้วันวันคืนคนจนรีมีของป่านจนเป็นครั้เคร่งเป็นบ้าเป็นประสาน้ำคือการหางเป็นจัสิจักร ด้วการตั out. ้ที่เราประกอบสัมมาชีพกราก็ทําไปมนต์การมนต์กราบก็หันหน้าเข้าหาสิลเข้าหามอย่างไรกเราเป็นลูกชาวบ้าถูกพ่อแม่ฝูกฝาดมาตั้งแต่แทบยังไม่นืมตาอ้าากลูกปลอยลูกปลอยลูกปลอยให้ลูกใส่บานแต่เล็กแแทบยังไม่รู้เรื่องให้ลูกเอาไบรอานให้ลูกเอาเช็ดไปเทไว้ข้างหมากแต่ยังไม่รู้เลูกปลอยลูกปลอยลปลอยหลูก่รยไม่รู้เรื่อง รามีบุญขนาดไหน บ, นบรรทพเราพ่อแม่ของเราต้องไปกับเราแต่ก็ไม่ควที่บางคนจะหนังตัวพอหินใจเข้าสู่โลกว่างเลยเพลินไปกับโลกจริงยุคยุคปัจจุบันนี้ท้ยุคเขายนาถถาาา่นโลกมาอ่เท่ากับฝ่ามือเองบางคนตาเลยกับาหมดทั้งคืนเลยวุ่นไปกับโลกเวลามาสุาดผล ไ, ไ, ไม่ได้ไม่ไไม่ได้เลย เสียงานเสียกาบคนเสียเรืยนหนังสือบคนเสียสุขภาพบคนเสียสายตาแต่ถ้าหากระวังเขาติดยากำกับที่ไว้ใจเราได้แน่เรานั่งฟังเทศ10นาที20นาทีเร า, ทเราลองนั่งภาวนาแข่งกับฟังเทศไปด้วยสีไมใ่ใคิดว่เาเรามันเคลื่อนจากนี้ไปที่อื่นเลยอยู่กันเด็กกันตัวอย่างไม น, น้อยเสียท่านผู้ที่เป็นเสียงหนักเสียงทรม มันก็จะไปเพาะกเาะใน้วยใจของเราหรือถ้าหากเราไม่สนบกอารมณ์ที่เราบริกรรมเราหนาเพาะทไพุทโธพุทโธพุทโธธรรโมทโมตรู้สังกออันนี้เป็นแบบอย่างเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านบอกสัสอนให้พวกเราเจริญสังขารและวก็เจริญวิปัสสนาทความร้อนรู้ทำความฉลากับหัวใจของเราถ้าเอาตั้งใจเราเสียสละจากนี้ไป20นาที30นาที ท่านจะได้รับความแปลกลากันจากการที่เราเสียสละเวลาเราไม่ได้คิดว่าเรามความเสียนะแต่บางครั้งูกพหหนุ่ไปกนเลย้จะลุกออกไปก็น้ำตาไปตั้งอกตั้งใจฟโอ้รู้สึกได้คนรู้สึกได้ความปลื้มใจรู้สึกได้ความดีติรู้สึกได้ความเบาใจได้ความสสันต์หัวใจโอ้คุณธรรมมีเรามีชาติหัวใจรอ่ ถ้าเราไม่กดไม่ถเราก็ไม่ประสบเราก็ไม่เราก็ไม่เห็นสิ่งมันนี้เป็นทางเลื่อกที่ทุกคนจะต้องเลือกจะต้องเลือกจะต้องทําถือเป็นยุทติสำหรับคนนั้นสำหรับคนนี้ให้กับเราได้ในเมื่อเราศึกษาทางเราไปเกิดความรู้เกิดความเข้าใจศึกษาทางทำเพื่อย้อนเข้ามาสู่หัวใจของเพยายามตั้งหัตั้งใปฏิบัติให้รถชาติของทราทมีอยู่ในหัวใจของเราเป็นสําคัญที่สุด อย่าลืมว่าทุกอย่างไม่อยู่เท่าเดิมตามที่บอกเราไปแล้วไม่อยู่เท่าเดิมนัม่นแหละเป็นทุกข์ขังในหลักอ ร, ริยสัจสี่ท่านพูดถึงว่าความไม่อยู่คทงที่เท่าเดิมนัม่นแหละเป็นทุกข์ขังพวกเราอ า, อาจรู้จักเฉพาะความเจ็บความปวดป่วยไข้ความนื่อยล้เป็นทุก ข, กข์คือทุกขเ์เขมรขนาดแต่แท้ที่จริงทุกข์ขังในหลักอรยิยสัจท่านหมายถึงความบีขันตัวเองของกองสังขารกองสังขารมันบีขันตัวมันเอง ดูไปยังไงเรารู้จะเห็นจะประสบพบเห็นเจอได้ง่ายที่สุดเป็นอุปมาที่ทางกระติกจำได้ง่ายที่สุดเราย้อนอันไป็นในท้องแม่เพราะพระรับทุกคนเกิดในท้องแม่พ่อกับแม่ประกอบกันเจริญฐานทาให้หยดน้ําใสๆไปอยูบในท้องแม่นั่นคือก่องฐานของใครของเราเกิดคู้บัานในท้องแม่เรามีแต่ผู้รู้มีแต่จิตประจับจอเท่านั้นเอง แต่หาเลือกไม่ได้มันไอ้กรมต่า ง, งกรรมของใครของเราใครมีบุญก็ได้ที่มีใครไม่มีบุญก็ไปเกิดสักระบอกเป็นม น, นุษ ย, ย์เท่า น, นั้นเองย้อนไปก่อสังหารกอหังอยู่เท่าเดิมไหมหลังจากสังขารพ่อสังขารแม่ประกอบกันในตัวแม่มันประกอบไปประกอบกันได้ด้วยเหตุนใดพ้นจากหน้าหอกต่างห่าวไหมการตลาง เราดูความอยากที่ใจของพ่อความอยากที่ใจของแม่เป็นเห็นท่านเจริญพันธุ์นั่นคือตัณหาตัณหาคือสมุทัยสมุทัยคือตัณหาทําให้เราได้เป็นรูกเป็นหน้าเป็นตัวเป็นตัวเกิดเป็นกองทุกข์ขึ้นมาตามหลักของอริยสัจสีกองทุกข์อันนี้คือทุกอย่างไม่หยุดเท่าเดิมดูไปที่หยดน้ำใสๆนั้นไม่ไม่เคยอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนจากใสๆมาเป็นน้ํา ลาเลือมาเป็นก้อนเลือมาเป็นก้อนเนื้อที่ออกมาเรื่อยเพราะนั้นเดื อ, อ น, น, นเพราะันเป็นปัญจาสาขามีหัวมีแขนสอมีลำตัวมีขาครบอวัยวะสามสิบสองประก า, ารเจเดือนแปเดือนเก้ <7 S 2> าเดือนข้อก <9 S 2> <8 S 2> ่อมาเคยอยู่ช่อหเดไว้ทูกความทุกมันบีคับนคั้นมาทุกระยะทุกเวลาแต่ระยะนี้มันเป็นระยะเจริญเรื่อเรียกว่าสังขารอยู่ในวัยเจริญ เรื่อไปยังถึงขีดสุดสุด ส, ส, สังขารไม่ใช่เริ่มงสื่อเรื่เรื่อแก่เรื่องเท่ารื่ชราจะมีอะไรยเท่าเลยทําไมพระเจ้าถึงย่นกองสังขารมาตั้ให้เรารู้เพราะกองสังขารของเราเรามีรูปสังขารของเราคือ ร, ร่างกายนามสังขารของเราคือจิตใจจิตใจก็เป็นกองสังขารกองหนึ่งร่างกายก็เป็นกองสังขารกองหนึ่งสิ่งที่ปรุงสี่ ประกอบกันแต่สสิ่งเป็นต้นใหม่ท่านเรียกว่ากองสังขารเราพยายามเราพยายามเรีนอันนี้เพราะในกองสังขารนั้นนั้นจะเป็นกองสังขารโลกตายกองสังขารนากระตายมีไตรหน้าอยู่ในนั้นคืออนิจจังทุกขนานันตามีไตรหน้าอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเป็นเหตุและต้องยกกองสังขารขึ้นมาให้พวกเราได้เห็นไงฝฟังนี่เราบุกเนินนี่ก็ธรรมะที่จะทําให้เราเข้าใจถึงหนัก อ, อนิจจังทุกขนานันตา โดยเหตุที่เรามาาาีอนิจจัางนั้ตาจึงเป็นเหตุให้เราเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นวันนี้ท่านรู้พรุ่งนั้นวันนั้นพรุ่งนั้นคนนั้นพุนั้นต่อไปเขยับก็ได้ขยับก็ได <c oughs> <ๆ>้ก็คือเราทุกคนมีความตายดับรออยู่ตนั้นด้วกันทุกคนมวประมาณมวจะนิ่งนอนใจบางคนไม่ได้สะสมเสมียังกับเลยเลยตายไปก็หมดหยาบหยาบไม่มีเสื้อผ้าจะนวมันจะหุ่นเลยซ้ำไป ไม่มีอาหารที่จะก็จะกินเป็นสัปเวสีเร้ออะไรหาดูกินของหนาวของเหม็นปฏิกูลโสโครนำอดยาพระไม่ได้ทำเอาไว้ทุกย่างมนานถึงคราวสผล่ไปเป็นสัตว์ในอานดัถึงคราวสผไปเป็นมนุษย์ตามมตามก่าก็ไปตามกรรมงตัวเองถึงขนาดเป็นสัปเวสีไม่มีอะไรบริโภคแล้ว จะไปปบัต <bees> ิเป็นมนุษหน้าท่าจะต้องถูกเป็นสัตว์ในอาวัยอย่างน้อยเราไปตกรอบชั้นนั้นชั้นนั้นอย่างน้อยเป็นกริษัทในรัฐเป็นขอชาติจะต้องเป็นสวัิ์ก่เราอยู่ในอัตภาพว่าเป็นมนุนี์เป็นอัตรากษที่สร้างมูลสร้างกรรได้อย่างเต็มที่ถ้าเราได้ยนฟังแล้วขอให้ท่าท่านเกตครับด้วยความตนวที่สุดใจ มีมากมีน้อยไมสส่สาคัญสาคัญที่ความรู้สึกในชายาทของเราใหเราต้องตั้งใจทำถ้าพูดถึงศีลก็ขอให้เราตั้งใจรักษาศีลเพราะเรื่องทางกับเรื่องศีลมันเป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้กับตัณหาตัณหาคืออะไรตัณหาคืออย่างหิวอย่างโกรธชาติเกิดได้จากหัวใจของเราอย่าลื ม, มว่าวัดเราวัดขึ้นมาเพราะตัณ ห, า ต, ห า, าตัณหาเพราะตัณหาไม่ประกอบการเจริญพันธุ์ให้เราได้รูปร่าง ในใจของเราทีมีตัณหาเขาไปเที่ยจับจอ่อไปเที่ยวจับจอ่อ <c oughs> ได้ก่อสังขารได้ก่อสังขารพระนัน่งอมาถึงคลอบจากท้องแม่ในตัวสังขารมันเป็นโครงงานตรงไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่มีการใส่วัตถุดิบเข้าไปมีการบริโภมีการสย่อยมีการสลายส่วนนั้นไปเจริญเป็นนั้นส่วนนั้นไปเจริญเปนนั้นส่วนนั้นไปเจริญเป็นนั้นคลอดออกจากท้องแม่ไปแล้ว กีรัล็ป้อนเลยแล้วก็ป้อนไปนหนต่อมารุเด็กสาวกลว่ารับเองบริโภคเองเอาอาหารคือดินน้ไฝนใส่เข้าไปใส่เข้าไปในกอ่อสขาเพราะก่อสังขา ร, อรของเรมันไม่เคยอยู่เท่าเดิมมันหมดไปมันย่อยไปมันสลายไปมันซสื่อไปมนสิ้นไปหากอยู่้ไวัยเ จ, จเริก็คือเจริญพอยู่ในวัยเสียก็จะเริ่มเสื่อมเสื่อมอมใส่อะไรไปาก็ไม่มีไม่มีนาไเหลือแต่ังหมด จะยงอยนองเลี่ยนเปลี่ยนเจ็ดสิปีแปดสิบปีท่น้ชมเถอะคนแก่เราเห็นหมดกันไปนี่คือความเปลี่ยนไปของกองสังขารพุทธเจ้าให้เราให้เห็นเพื่อไม่ให้เราติดใจไมใหเรามองมองกองสังขารเหล่าะกองสังขารนี้มีไตรนั้นคืออนิจจังสังขารไม่มีใครสามารถจะมาผลเพี้ยนจะมาตัดแปลงป็นอื่นไปได้พระพุทธเจ้าทุกทุกองท่านจดัดแปลงไม่ได้ ดัดแปลงเป็นนิดจางได้ไหาเร า, เ อ, า, าอยู่ในในวัยที่สวยแล้เกินงามแล้เกินนั้นก็เต็มตัวนี้ก็เต่งตัวนั้นก็เต็ง ต, ต, ตัวนั้นก็นนนกนขาวตัวนี้ก็ผอมอยากอยู่อย่างนี้ไปตลอดอายุใครได้ไหมไม่ได้ปรารถนาได้แต่ไม่เป็นไปนตามใจที่เราปรารถนาคือชื่อวัตถุปต้องการของตาลาดในหัวใจของเร า, เรามันไม่เคยเอาไอ้สิ่งที่เลวร้ายกับความชอบความต้องการของใจเอาแต่สิ่งที่ดีๆมาใส่ แต่ผิดหวงนะังทั้นั้นเพราะความปรารถาของตัณหานั้นมันสวนทางกันกระแสของธรรมากระแสของธรรมะคือภาวะความเป็นธรรมชาติของกองสังขารนั้นมันจะมีลักษณะนิจจุบันตณะที่เรียกว่าไตรลักษณ์หรือสามยาลักษณะขึ้นชื่อว่าสังขารมันไม่ใช่ยึดถืเพราะอัตภาพร่างกายของเราหรือจิตใจของเรา สิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราต้องเป็นกองสังฆ์ทั้งนั้นสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราต้อดรวมไปถึงไตรรกบข้าไม่มีสิ่งใดแม้หนึ่งเดียวที่ไม่ใช่กองสงฆ์เพราะสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นยึดต ong ในพระาอานิจจังตัวมานั้นตาไม่คงที่ต้องเปลี่ยนไปไม่คงที่เป็นทุกขาเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังดัดแรงสป็สุ ข, ขังไม่ได้ดัดแรงเป็นนิจจังก็ไม่ได้ เราพระพุทธเจ้าท่าจุดสงรว่าอนาัตานั้นแต่ตัณหในใจของรามันก็สิบปราเราเราเราแต่ข้อแท้จริงตามหธรรมะที่เป็นสัจธรรมพระพุทธเจ้าทนงสรว่าอามตตาแล้ว่าไม่ใช่อัตตาอนัตตาถ้าเป็นอัตตาเราต้องบอกได้อย่าแก่นักอย่าเจ็บนันอย่าป่วยและอย่าตายนักด้วยเหตุที่บอกไม่ได้ไปดูในอนัตตาลัคนาสูตรที่รู้เรื่องจะรัชมถามพระบัญชคี ถ้าเป็นเราก็าตอบได้เราบอกให้สูงต้องสูเราบอกให้เที่ยงเราเที่ยงด้วยเหตุที่เราปรารถนาของสิ่งเหล่านี้ไม่ได้จึงไม่ใช่เราพิจารณาแเราปล่อยพิจารณาเราปล่อยพิจารณาเราปล่อยเพราะภาวะอนั้นภาวะอันนั้นมันเป็นความมีของมันอยู่อย่างนั้นความเป็นของมันอยู่อย่างนั้นพิจารณาเราปล่อยพิจารณาเราปล่อย นีคภาวาที่ท่านพิจณนะพูดี่ข้ามนจากอนิจจ์ทุกอ่านัตาไปได้แต่ถ้าม่ได้ยินไม่ได้ฝังไม่ได้เรียนไม่ได้รู้แม้แต่อา จ, จารย์ของพ ร, ระพุทธเจ้าต้การพูดอลไรก็ได้ได้ ร, ะะรูปปัจจามัภะรูปปัจจาบัติแปลาเสิเวลาต้องการความสุขกเข้าสู่สมาภัเรนั้นมีความสุดเต็มแปร่ในนั้นบรรดาความสุขทั้งหลายไหนโลไม่มีความสุขใดเท่ากับ ความสุขเข้าไปสมองในรูประสมมาบ้านประสมะมาบ้นี่เป็นความสุ ข, ข, นะ ข, ขาท า, าโขงโลกนะยกเว้นเร่องขนาดนั้นเข้าถึงอริยธรรมแล้วความรู้ผู้รู้หล่าั้นยังไม่ใช่โลกทีเป็นความสุขขั้นโลกแต่เราอาจารย์ทั้งสองท่าน น, นั้นทรงหยูแค่นนะเวลาต้องการความสุขอัตตาตัวตว น, นปล่อยไม่ได้า ม, ม, ไดมากไม่ได้ความก็ได้เขามีคําเย้ออกมาว่า ถ้าไม่ใช่อัตตาแล้วจะเอาอะไรมาสุขมีความสุขเต็มที่ถ้าไม่เอาตัวมาสวดสุขจะเอาอะไรมาสุขแท้ที่จริงครเพราะว่าเราประชดเอาเองเพราะว่าขอความสุขมันเกิดขึ้นจากความสงกอะไรสองตัณหาสงกแล้วเมื่อตัณหาสุกมันไม่ดิ่ไม่ได้่ในหัวใจของเราทําให้เรามีความสุขดูไม่ออกมองไม่ออกว่าสมบเพรอะไรสุขเพราะอะไรแต่พระพุทธเจ้าท่านมีปัญญาที่กว่าท่านเป็นสัมมาสัมพุทธะ สัมมาสัมพุท่าในประจิตของเรามากระพุ้เตือนไปเรียนุกปรัสมะบัตรระปปสมาบัตรจกภัยอะไรเนี่ยระยะเวลาที่สั้อาจารย์บอกว่าเตรเทมจบหมดแล้วเราโยนมันพระไทยของโอ้ยังมีกองทุกเต็มแปร่อยู่ทุกอะไรขณะรูปปะสมะบัตรรูสมะบัตรแท้เวลาเอาปรจิตบริจิตจิตธรรมดาธรรมดานี่เห็นกอทุกกอเต็มแพร่อยู่ในหัวใจ วตทุกวงใหญ่ทุกกรวันถึงอะไรถึงฟิฟาถึงกระดูถึงพระเจ้าสุตโตถนถึงพระยาของถึงบ้านถึงมือเหอเพราะท่านเป็นรู้สักทาไมความทุกข์หลังยังมองเต็มพระใหมดใจไม่ต้อไม่ทบไม่ปลอดภัยเพราะฉะ้อาจารย์นี่อาจารย์บอกอยนั้นก็เลยจำเป็นจต้องนอาจารย์ออกาเป็นตละครเพราะเวลาออกมาเป็นตัวละแต่ไม่ได้หมายความว่าคิดได้ทำได้ พารามิสซามันเปเปลี่ยนแล้วอาศัยว่าเหตุการ์ทุกอย่างเป็นไปตามพารามริสโดนใจให้เปลี่ยนนั้นเถอะเห็นแล้วโปรโดเถิดมาสวดพระพิญาหารทำอัตถิธรรมนานโลกจนหน้ากายจะเป็นจะตายเอาเข้าทรมานกายต้องการให้ธรรมเกิดขึ้นถึงหัวใจเราฟังหลุดออกจทรมานกา ย, าการรากายแต่ต้องการธรรมะเกิดขึ้นถึงหัวใจถ้าเราพิจารณาในนี้เหตุผลเหตุผลมันต่อกันไม่ติด ต้องการทําก็คืนที่ใจแต่ไปทรมานกายไม่ใญ่ไม่ใช่แต่ชีวตที่สีของโรดจะดัาะอดกยันหันจนน้ำตั้งแต่สวยวรนก็เต็มที่เต็มอิ่มลดไปวันละคำวันละคำวันละครจนเหลือเน็นงคำเหลือหนึ่งคำแล้วลดปริมาณไปลดลดลดไปจนเอนึเมตรร่างกายมันบอกช้ำขนาดไหเพราะไม่มีอาหารใส่ให้ ร่างกายจะแตกสลาชีวิตจิตสจจะแตกกะายเพรารจะทำความผิดัางอาชีพใจโอ้คนไม่มีกำลังยอางนี้ทำไม่ได้เพราะอรจึงันมาสวยตัยอาหรเนี่ยมันขัดกันกับพวกปัญญวิคีก็ถือว่าทำอัดกรม่อฐานโยกจนตายถึงจะได้อัดได้คำอัดทำที่เียว่าคืออะไรมาเรื่อยๆทำจนตายถึงจะได้อัดไรเพราะเราหันมาสวยรอารเนยโ ร้องร้องให้ครับปัญญาขีดต่ 5, ททาตามธรรมาหูไม่ไม่ค่อยใจพรองเลยเสียใจร้องรองเราหนีจากอไปอยู่คนละแคว้นแ <c oughs> คว้นกาสีเมืองพาราหมณีน่จากตะนอเวลาเวลาเสีย น, นิคมคนละแคว้นแคว้นนันคือแคว้นกาสีห น, นุ่มหนีจากพระพุทธเจ้าจากนั้นเราก็สวยพระกาหารมีเรียมียแหล่ถ้าพูดถึงวันน้ านางอะไรนางสุชาดาถวายข้ า, าทุปายาดวันนั้นเน่ยเป็นวันที่พระงค์เสวยเต็มที่วันนั้นข้าวบทุปายาที่นางสุชาราถวายถวายทั้งทางทั้งถาเราไปพันพันพไปไสี่สเก้าันเรไปเสวยจนหมดแสดว่าวันนั้นพระองสวยพระปรยาเต็นที่ เอาถือทางเอาคำจากต้นโพธิ์ที่ก็าถวายนะไปโชว์ที่ฝักแม้น้ำในระชดาพระกสวิริยาบอกเลยนนะเวลาพร็อคขัาใกล้ข้เดินทางมาที่ต้นโพธิ์เพื่อที่จะมันตั้งรังปักฐานเอาเป็นเอาตายใสย่บุญเป็นเวียนบเพ็ญความเพียรทานนั่งจิตใจละตอนนี้นีามา่มาแล้วก็บพวในอะไรโฉกที่ยักษตวายยาขาแปกกาในระหว่างทางาอาถึอไปไปปูไปลาดต น, น้ที่ต้นโพธิ์ แสดงพระองค์ขึ้นไปนั่งบางแห่งท่านก็บอกว่าพระองค์ปฏิหาให้เป็นวัชระบรรลังวัชระบลังก็โผล่ขึ้นมา้วยบาลีพระอันนี้เราก็ฟังเอาไว้จะยังไงก็ตามพระองค์ตั้งความปรารถนาโดยจกตัวรองฆ่ามาระทานเนื้อเดือดมือแหไปเนลือในนั้นมุงกระดูก็ตะดากไม่ยอมขึ้นเดขาถ้ายังไม่ได้รุ่งสมารักวุฒิอย่างไรจกไม่ยอมขึ้นนำนี่คืองานที่ยิ่งใหญ่ จะทําได้สําเร็จจะต้องผ่านการตั้งศักจากอธิษฐานเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปเลยนไะม่นตำนานเก็บอกว่าเราชนะพยา ม, มาตเป็นตะวันยังไม่ไม่ไม่เข้าตะวันยังไม่ไม่มืดเหมือนกันจากนั้นเราความเป็นเพียง้ต่จิตใจเอาอ า, านาปานสติเป็นอารเอาลองเป็นอารอ า, านาปานสติคือตากหนดูโลกท่านจะอาจจะกำกับผุ้ทโทรหรือไม่ทโทรก็แล้วแต่ แต่ท่านพูดถึงว่ากำหนดอานาบานสติอันนี้เราพูดถึงทศดานะต้นตอนที่ท่านทำมาเพื่อจะได้เอาผลร้ายดังนี้มาสู่พวกเราพอตองยาด้วยเหตุที่โปร่งเคร่องในอาณาบานสติเราพูดถึงสาธิของโร่งเต็มเตี่ยมรูปปัสมะปติรูปปัสมะติอันงยังไงก็อยู่อางนั้นไม่เหมือนพวกเราหยิบมาซ้ายบนไปขวาหยิบมาจากขวาลุไปซ้ายไม่เคยนิ่งที่กะทิเพราะจิตของเราไม่มีหลัก พรอประสบรประสบผลตั้งใจอย่างนี่างนัง้นอยู่รอ้อยางนนแสดงมทำงานทงานอย่างเดียวกำหนดลมหายใจลมหายใจก็ในที่สุดปฐมยาปฐมยาพระองไดย้ยาบาองอย่างยาชามของสุเทพรองศยายามัศนานอย่างหนึ่งที่เรียกว่าปุกเพบาสาสุิยาโอ้เปพบเจ้าพองช กีกลกสังวันตะกลกีวิวันตะกลกีอาสงไทยกลกรลึกย้อนไปพกชาเขาต้ไม่จบไม่สิ้นนี่คือยามต้นเห็นพกชาติของตัวเองยามทั้งกลางเห็นพกชาติของสัตว์เกิดเกอดมาพบกลทำนี้ไปเกิดกันนั้นทำนั้นมาเกิดกันนี้ทั้งสองยาวยาวทั้งกลางยามต้นกับยามทัางกลางเห็นการเกิดการตายของของตัวเองของสัตว์ทั้งหลายเกิดตายแต่เห็นทุกปร่มต เหมือนคนยืนอยู่ทางสีแพร่มองซ้ายมองขวา้างหน้าพลังเห็นทุกๆโร่งหเหมือนคนได้ยืนอยู่ทางสีแพร่นี่คือยานปทัศนคตรสองนัเกิดขึ้นทันทีวัดจุกตูมประวัติยาพพอยานสุดท้ายไปเห็นพระโรมานาสารพยัญญาพอมาถึงช่วงนั้นอ่ะภายในพระใจเขาเริ่มหมุนด้วยจักรพรทดเขี่ยวอยู่นั่นด้วยเหตุที่เที่ยวถูกทางถูกวิถี ก็ทให้กิเลสทั้งหลายที่มีในพระไทยของเรืองแห้งไปเข้าถึงอาสวัคไยย า, ยา ม, มียามยาหนึ่งทาให้เราคุ้ว่าโ อ, อาสวัคกิเลสในพระไทยของรหมดไปสิ้นไปจากกสันาอาสวัคกิเลสมดเมไปสิ้นไปยาคือความรู้อย่างโผรขึ้นมาเกิดขึ้นจากการฆ่าการหมายเกินฆ่ า, าเกินหมเกินเดา รู้แล้วจิตมันเราบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์ปรองลอแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราไ ป, ป, ป เ, เ, าเทศกับปัจจุบันขีโปรงจิตศุกร์ตรัพยว่าทำยาวนึ่งเรายังไม่ได้ยินได้ฟังมาติการก่อคือหลังของอริยสัจทั้งสี่นั่นแหละด้วยเหตุที่เรามีญาณอย่างรู้อย่างนี้จักสุขทำเกิดขึ้นแก่เราจักสุขญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแก่เราตรัพยในที่เราไม่ได้รู้ ไม่ได้เห็นไมดยนได้อย่างนี้เราจะยังไม่ปฏิยานตนว่าเราเราได้บรรลุธรรมตอนนั้นัิญญานนี้ข้าใหช่ทุลุกทุกลงในในใจของเราเราจึงว่าเราได้บรรลธรรมให้ประเจกทีฝันเวลาไปสอนปัจเจกทีเธอทํานยฟังเราจะแสดงทําให้ฟังประเจกทีเขาทาท่าไม่เลื่อมใสศรัทธาไม่เชื่อนั่นแต่ปัญญาบท่าคงจะปลงใจเชื่อคนเดียวเต็มร้อยที่ได้บวงตาเห็นธรรมอยู พระอาจารย์มองว่ารู้จัชเยชนทำกันแรกคือไม่ได้อะไรเลยโอ้โหเราฟ <laughs> ังในผลลัพธ์เต to ืองพิ่มไม่ภายในประเทศไทยเราก็หปัญหาแล้วปัญหาได้หรือไม่ได้ได้อะได้ทําหรือไม่ได้อะได้ทำคือมันยังพวกเราได้ยินได้ฟังพระอาจารย์ท่านเทศท่าสอนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางขึ้นอยู่กับพวกเราเหตุปัจจัยปัญหาที่ไหนขึ้นอยู่กับพวกเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจขึ้นอยู่กับพวกเราไม่ใช่อย่ที่อืครับ พระพุทธเจ้าตัวพระองเองหมดปัญหาแล้วนะเปรียบแล้วเราไม่ต้องสงสัยแลพระยาปัญชรขี่ยิงได้พระองค์วันห้าองค์ห้าเพราะวันที่หกพระพุทาท่านจึงทรงแสดงนักตะละักขณะสุสะดแสดงจบแสดงถึงความละเอียดถึงอ น, นิจจังทุกข์ขงอนัตตาไลอ่อัตตาเป็นเรื่องใหญ่เพราะคาอนัตตาไล่ความเป็นตัวเป็นตนออกหมดอนุตไม่ใช่เราอันนี้ไม่ใช่ ข, ของเราอันนั้นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรา ถ้าเป็นเร า, าต้องรู้ได้เราต้องสอนได้เร า, าต้องวางได้อย่างนั้นอย่างนี้โดยเหตุไม่ใช่เราพิรราจารณาปล่อยพิยรราจารณาปล่อยพิยรราจารณาปล่อยพระเจ้าขีเหล่านั้นพุธ lately, ทธเจ้าถามนั่นตอบถามนั่นตอบถามนั่นตอบจบธรรมเทศนาได้บรูลุเกลภาอรหันทั้งหมดนี่คือความเป็นมาของพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าผู้เรามันไม่ใช่ของง่ายๆอยู่มันไม่ใช่ของง่วยวยหลักที่เรสาส่งออกมาแสดงคือหลักของกอสังขาร กองสังขารคือสิ่งภูมสิ่งประกอบสิ่งไม่ใช่ไม่มีแม้สิ่งหนึ่งเดียวที yes, hat, ่อยู่รอบข้างพวเราจะไม่ใช่กองสังขารสิ่งที่ไม่ใช่กองสังขารมีสิ่งเดียวคือจิตที่บริสุทธิ์ของพระอรหันต์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนอกนั้นี้คือพระอรหันต์เพราะจิตของท่านมีแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่เป็นสันกับสิ่งใดแต่เขาไม่ได้กองสังขารนะจิตของพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์ทัศนีว่าวิสังขารวิสังขาร มันเป็นสิ่งอื่นไปจากกองสังขารนะเขาไม่ได้กองสังขารขึ้นชื่อว่ากองสังขารคือสิ่งพุ่งสิ่งประกอบตั้งแต่สองสิ่งต้นไปเป็นกองสังขารเราดรอบข้างตัวเรามีอะไรเป็นหนึ่งเดียวมีไหมต้นเสาเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่มีมีปูนมีเหล็กมีอะไรอยู่ในนั้นสาราลันนี้มีอะไรเป็นหนึ่งเดียวไม่มีมีส่วนพุงส่วนประกอบทั้งนั้นต้นไม้ภูเขาหินผาทั้งหลายทั้มีอะไรเป็นหนึ่งเดียวไม่มีอะไรเป็นหนึ่งเดียวถูกชักไปถูกน้าไป มนุษยอยู่ในสภาพเดิมใดเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแม้แต่สิ่งที่มนุษย์ปรุง ม, มนุษย์ประกอบเป็นเพชรดินจินดาเป็นแก้วใเป็นทองเป็นอะไรๆสิ่งวันนี้ย่างวิ่งมาคงทนไหมอายุยืนยาวไปข้างหน้าเท่านั้นกลับเท่านี้กลับเทา่ทานั้นแสนล้านปีเท่านั้นแสนล้านปีสิ่งเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนรูปจะรู่งไปเป็นรูปหนึ่งนี่นสังขารไม่เหมือนเท่าเดิมแต่หาเปลี่ยนไปได้มากน้อยตามอายุไขมนุษ ย, นย์เรามองเห็นง่าย พราะเมื่อเราอายุสั้นเระมองเห็นความเจริญของพลังที่เ้าเสียเห็นความส่งของมันแล้วก็ถึงข่าวแต่สลายไปจบวอกชักแต่ใจไม่จบหนาเพราะใจมันตายอัตภาพร่างกายดินน้ำลมไฟตายแต่ใจไม่ตายใจไม่บริสุทธิ์เป็นเหตุเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูไปด้วยสูงบากต่ํามากสูงบากต่ำบ้ากถ้าใจยังไม่บริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวแต่ถ้าหากใจบริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวอย่างพระจิตของพระอรหันต์ พระจิตขอพระพุทธจเจ้าแล้วจิตบริสุทธิ์หนึ่งเดียไม่เป็นกอสังขารไม่มีภพไม่มีชาติที่จะต้องไปว่นไม่มีอายุการมาจับกัดดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลพระสงฆ์ตรัสว่านี่แหละพระมังสุขานี่แหละพระมังสขานี่เป็นผู้ที่เป็นต้นฉบับเป็นต้นฉบับได้เอาธรรมะมาสัส่สพวกเรา พวกเราสุดท้ายกลายแดดได้ยินได้ฟหาคนที่ตั้งอกตั้งใจทํานั้นที่จะฟังเรื่องเรานี้เข้าใจกาเรื่องถึงร่างร่างตามพวกเราก็ไม่ทอดทิ้งมีการตั้งอกตั้งใจให้ทาำตั้งใจรักษารสินไปตามกําลังของผู้เองแต่ถ้าหากมาที่เราในหัวใจของเราเห็นทุกเห็นทั้เห็นภายในของศาสมารีบเร่งบาเพ็ญสิ่งเหล่านี้ให้เป็นไปตามนั้นเราจะขยับพบขยับภูมิขยัคุณธรรมของเราจะไม่หยุดเท่าเดิมจิตใจของเราถ้าหาก ถึงแม้ว่าเราจะอยู่เฉยๆกินใจเราก็จะไม่อยู่เท่เ long, AM, long, AM, าะสะสเดิามเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงถ้าเราตด้งใจรักษาสินงําเพ็ยงสิ่นั้ฐท้าทำพุทธธรปฏิปธรรมกิเของเราก็จะไม่อยู่เทะเดอมขยับขึ้นยับขึ้นขยัมขึ้ น, น, น, น, น, นมีขึ้นกับมีลงเป็นผลผลของธรรมกับเป็นผลผลของกิเลสถ้าเจริญขึ้นก็เป็นผลผลของธรรมถ้าตามตาลงก็เป็นผลผลของกิเลสเพราะจิตของเรา้าไม่พัฒนาไม่เอาธรรมะของพระพุทธเก้าาพัฒนา กิเล่มันมพัฒนาประจามรูปแบบของมันอวิชชากนรมครับอุปาตานมครอบอยู่กิเล่ครอบอยู่ในหั ว, วใจของเราถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงมาเปิดเผยธรรมนี้ให้พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วผมว่าเามือ่อตีตันอัน้นตไปหมดไม่มีทางออกไม่มีชม่องโดยเหตุที่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ายังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่พวกเราไม่ประมาทไม่อนอนใหญ่ถึงกาถึงคราวดูใบยจท่า น, นอายุไขเมืออย่างที่พวกเราอยู่เฉพาะหน้าอยู่ในนี้ พวกเราก็มาช่วยกันจัดช่วยกันเปลี่ยนท่านเน่ยพระราชท่านมาอยู่พอแล้วลูกศิษย์ลูกมหาที่อยู่ใกล้ชิดกับแบลง็ไมาอยู่พอแรงแล้วความทุกข์ยากการที่เราแบกภาระของผูบาดเจ็บไม่ใช่เราแบกหรอกหรืเรามีบุญมีกุศลเรามีอานิสงส์เกิดเป็นหัวใจแม้แต่งานเช่นนี้มาบัดเกิดขึ้นกับพวกเราขอให้เราตั้งหมดตั้งใจคนะหวังบุญหวังกุศลให้เกิดเป็นหัวใจของเรา อันนี้เป็นภาระของมนุษย์ที่เราจะต้องจัดต้องทำํำจะต้องช่วยเหลือเกื้อหนุซึ่งกันและกันท่านใด น, นั้นคน น, น, คนั้นได้นั้นคนนี้ไดนี้คนนีนน้ได้นั้คนนั้นตามคนตามดูซับเอาคุณงามความดีคือคุณส่วนเข้าสู่หัวใจไม่เสียปล่าเพราะฉะนั้นโอกาสเช่นนี้มาถึงพวกเราเราพยายามลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสให้กับตัวเราเองจะเกิดประโยชน์ส่วนให้กับตัวเราเราต้ที่มีอะไรก็เถิของนั้นก็ลงไปผมนั้นก็ลงไป ท่านเชียงใหม่อาจารย์เปลี่ยนก็ร่วงไปท่านมองเลยอาจารย์นก็ร่วงไปทางขนแก่นก็ล้ปูเพงก็ร่วงไปเห็นท่านขนแก่นเราล้ปูเพงเราลก็ร่วงไปมีอะไรเท่าเรืไม่มีอะไรอยู่ก็เร่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนังนั่งเข้ายัคฆข้ามาพยัคฆข้าวมาถึงเราน่ยตอนนี้ทีเราแลวหน่อทีเราแลวหนไอ้ตอนทีเราแลนอเราอยู่ในท่าที่ที่เสียถีหรือเราอยู่ในท่าทีที่เราได้ ถ้าเราได้เปลี่ยนเราก็เดินอย่างสบายอย่างอา่านไปเชิญหน้ากัมัจฉุราไม่มีสติธรรมชาติในการนอนเลแต่ถ้าเราอ่อนการฝึกฝนออกบรมอ่อนการ ท, ทาํานุนเท่าเราก็ตั้งหดทั้งหอทั้งเหียวตั้งกลัวทั้ ง, ง, ง, ง, งโลดโลดเต็มกลัวเป็นกลัวตายดิ้นตกตายก็มีมีมีความทุกข์สั้นที่สุดกับชีวิตใจของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ เมื่อมีอุบัติเหตุชนิดเกิดขึ้นพวกเราต้อมาร่วมกันเปลีจ้าภาพสูวเสียสละตัวปัจจัยไปเสียสละเวลาไปเสียสละเวลามาฟังเจริดความสมุลขึ้นในหัวใจของเราแล้วมีการจัดให้มีเทศธมีอัรมีธรรมเป็นการมาบอกกล่าวย้ำเตือนอสิ่งหละอันฟันละน้พวกเราได้ถือว่าเป็นการมาเตือนกิตกิจใจของพวกเราไม่ให้ประมาณไม้ให้นอนใจ พราทุกคนจะต้องประสบพบเห็นสิ่งเหล่านี้และจะต้องช่วยเหลือเพื่อนในการเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดนี้มีว่าจะมีผลมีอันมีสงเพราะฉะนั้นคนอันนี้สงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละจะย้อนสนองมาให้พวกเราประสบความสุขความเจริญตั้งอกตั้งใจศึกษาธรรมทุกทปฏิบัติธรรมโดยทุกท่านเข้าถึงอัดเข้าถึงธรรมโดยทั่วนากัน